เราที่อยู่ที่นี่ก็คงรู้นะว่าที่นี่เนี่ยคือวัดป่าสุกโตคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อวัดนี้แต่ที่จริงเนี่ยวัดป่าสุกโตนะเป็นชื่อที่มาทีหลังนะชื่อแรกสุดเนี่ยชื่อว่าวัดเอราวันวัดเอราวันนี่หลวงพ่อบุญธรรมท่านตั้งขึ้นหลวงพ่อบุญธรรมนี่เป็นผู้ที่มาบุกเบิกก่อตั้งที่นี่ขึ้นมา เริ่มจากการเป็นสำนักสงฆนะ์ตอนลังหลวงพ่อคำเขียนมารับช่วงต่อท่านก็เปลี่ยนชื่อนะมาเป็นวัดป่าสุกโตเพราะว่ า, าสุกโตนี่เป็นคำที่มีความหมายดีมากนะเป็นถือว่าเป็นคุณนามอันหนึ่งของพระพุทธเจ้านะเราเรียกว่าพุทธคุณนะ 1ในเก้าพุทธคุณก็คือสุขโตก็คือไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีคือว่าไปสู่ภาวะที่พ้นทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองอันนี้ความหมายก็ถือว่าตรงกับนะจุดมุ่งหมายของความเป็นชาวพุทธของเราเอาราวันเนี่ยนะยัง ยังไปไม่ถึงนิพพานนะเอรวัณนี่ก็เป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับพระอินทร์นนะพระอินทร์นี่ก็ยังถือแม้อยู่ในสวรรค์นะแต่ว่าก็ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนะพวกเราเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วก็คงจะไม่ได้แค่วางไปสู่สวรรค์หรือว่าภพภูมิที่สูงขึ้นนะ และเมื่อจะปฏิบัติทั้งทีก็ควรจะมุ่งไปสู่เพราะว่าที่เนื้อภพภูมิทั้งหลายก็คือพระนิพพานนั่นเองที่หลวงพ่อเขียนตั้งนะสุกโตนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นหลักชใจเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเราชาวพุทธเป็นการเตือนใจให้เราอย่าอย่าลืมนะพระนิพพานจะเพียงแค่ไปสวรรค์นี่มันไม่พอนะ ต้องไปให้มากกว่า น, นั้นนั่นก็คือพวะบาทิพนทุกพ้นจากสังสารวัฏแต่ว่าชื่อเอราวัณ น, นี่ก็ยังเป็นชื่อทางการนะของที่นี่เวลาติดต่อทางราชการเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อนะวัดเอราวัณแต่ว่าเวลาใช้คำว่าเอราวัณเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกต้องวงเล็บเลยว่าป่าสุกโตนะเพราะว่า ป่าสุกโตนี้นะเป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าแต่ว่านอกจากเอราวัณแล้วป่าสุกโตแล้วนะยังมีชื่อหนึ่งนะที่ตามมาทีหลังเป็นชื่อรองนะก็คือสถาบันสติปัฐานสถาบันสติปฐานนี่ก็จะว่าเป็นชื่อของวัดป่าสุกโตทีเดียวนักก็ยังไม่ถูกนะเรียกเป็นชื่อรองดีว่าหรือว่าเป็นชื่อที่แสดงถึงบทบาทหรือจุดหมาย เฉนะพาะกิจก็ได้นะของที่นี่ก็คือว่ามุ่งที่จะเสริมสร้างสติให้เกิดขึ้นกับพวกเราโดยสายหลักสติปัฏฐานควาว่าสถาบันเนี่ยมันเวลาเราได้ยินแล้วก็นึกถึงภาพองค์กรอาคารนะที่มีอาคารที่มีผู้คนมากมายเป็นลักษณะของสถาบันนะ เช่นสถาบันมะเร็งสถาบันประสาทสถาบันโรคทรวงอกอะไรทั้งนองเนี่ยนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เราจะนึกภาพของตึกของอาคารนะที่มีผู้คนมากมายทํางานนะแต่สถาบันที่พูดถึงนะมันหมายถึงว่าการทําหน้าที่สถาปนาสถาบันการสถาปนา น, นี้มันอันเดียวกันนะ สถาบันสติปัฐานคือว่าก็คือการบ่งบอกถึงจุดหมายของที่นี่ในการสถาพนาหรือว่าสร้างสติให้เกิดขึ้นกับพวกเราโดยสายหลักสติปัฏฐานนะ้นพวกเราเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยนะก็ก็อย่าลืมนะชื่อนี้หรือว่าจุดมุ่งหมายนี้ของที่นี่ เมื่อเรามาที่นีแล้วก็ถือว่าเราเป็นสมาชิกสถาบันสติปัฏฐานเมื่อเราเป็นสมาชิกสถาบันสติปัฏฐานเราก็ต้องนะช่วยกันสร้างสติให้เกิดขึ้นไม่ใช่กับใครนะกับตัวเราเองนะก่อนที่จะไปสร้างสติให้ใครนะเราต้องสร้างสติให้กับตัวเราเองก่อนสถาบันส่วนใหญ่นี่นะเป็นการไปทำให้ผู้อื่นนะ สถาบันมะเร็งเนี่ยก็ทําหน้าที่รักษาโรคมะเร็งหรือว่าวิจัยโรคมะเร็งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่จะป่วยด้วยโรคนี้ <c oughs> แต่ว่าสถาบันสติปัฐานนี้เราไม่ได้ทําให้กับใครเราเริ่มต้นที่ทํากับตัวเราเองก่อนก็คือว่าทําให้มีปู่ฟังให้มีสติมากขึ้นอันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่า การสร้างสติเนี่ยเราก็ต้องอาศัยหลักสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มีสประการนะท่านพวกเราที่อยู่นี่ก็คงจะได้เคยสวยดนะมหาสติปัฏฐานสูตรหรือว่าอรมิมมิองแปดที่ว่าด้วยสัมมาสติสติปัฏฐานสีก็มีนะกยนน า, านุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือพูดง่ายคือว่าพิจารณาหรือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วก็บางทีก็พูดย่อๆว่ารู้กายรู้ใจนะเพราะเวทนากับจิตก็มารวมกันส่วนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสี 4, ่ขันธ์หนิวรณห้าอัตนาสิโพชฌงเจ็ นะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานนี้ก็รู้หลักแต่เป็นเรื่องของใจเป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่นับรูประขันซึ่งอยู่ในขัน5แล้วส่วนใหญ่ก็ทั้งเกือบทั้งหมดก็เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเัรนั้นเนี่ยสติปัฏฐาน4ี่ก็สรุปสั้นๆก็คือว่าให้เรามารู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงในการปฏิบัติ นะเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยกายยนุปัสสนาสติปัฐานซึ่งถ้าเราพิจารณารายละเอียดนะของกายยนุปัสสนาสติปฐานเนี่ยเราก็จะพบว่านะมันมีส่วนส่วนที่พูดถึงเรื่องของอิริยาบถหรือเครื่องของการเคลื่อนไหวกายนี่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะในบทที่เรียกว่าอิริยาบถะปภะหรือว่าสัมปชยปภ ะ, ะนะก็คือว่าเมื่อ ยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนหรือว่าในสติในสัพชายปัปพระนี่ก็พูดถึงว่านะเมื่อให้ทําความรู้สึกตัวเมื่อเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเมื่อเหลียวเมื่อมองไปข้างหน้าเมื่อเหลียวซ้ายเหลียวขวาเมื่อทรงเมื่อคูเหยียดเคลื่อนไหว ทรงบาดจีวรสังขตินะหรือว่าเมื่อกินดื่มเคี้ยวยืนเดินนั่งหลับตื่นนิ่งนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นการเรียกลมหลวงว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะเป็นการเคลื่อนไหวของกายนะซึ่งถ้าเราไม่รู้จักนะการเจริญสติในส่วนนี้เนี่ย เราทําอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ากําลังยืนไม่รู้ว่ากำลังเดินบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่ได้ซ้ําเพราะว่าใจลอยนะอาการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียหลวงพ่อคำเคียร์แล้วครูบาอาจารย์ที่นี่แนะ น, นํานี่นะมันก็เริ่มต้นด้วยการยกมือเคลื่อนไหวเรียกว่าสร้างจังหวะแล้วการเดินจงกรมอันนี้ก็โล้และแตนะ่เป็นการให้มีสติรู้ในการเคลื่อนไหวของกาย นะซึ่งเป็นส่วนสำคัญใ น, ในการนุปัสนาสถิปัฐฐานการเคลื่อนไหวของกายก็มีหลายอย่างนะที่เราทำเป็นรูปแบบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่านอกจากการสร้างจังหวะการเดินจงกลมแล้วเราก็ยังมีอิริยาบถอื่นนะล้างหน้าถูฟันอาบน้ำทำครัว กวาดบ้านซักผ้านะพวกนี้เนี่ยโดยแล้วแต่เป็นอิริยาบถมีการเคลื่อนไหวของกายนะเป็นเป็นจุดเด่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะมีสติกำหนดรู้หรือว่ารับรู้ด้วยส่วนอีก3มข้อที่เหลือเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมัน มันไม่ได้มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตายเท่าไหร่จะรีว่าเป็นการเคลื่อนไหวของใจก็ได้หรือว่าเป็นอาการของใจนะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเวทนาก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะนะตาเห็นลูกผู้เด้นเสียงเกิดความชอบเกิดความชัง นะอันนี้ก็ทําให้ก่อนที่จะเกิดความชอบเกิดความชังเมื่อเกิดสุขคดเวทนาทุกขเวทนาก่อนจะเป็นเสียงดังจะเป็นงูอ่าจะเป็นยุงมากัดหรือกวนนะมันก็เกิดเวทนาขึ้นมามีลมพัดเย็นสบายก็เกิดสุขคเวทนาขึ้นมาและไล่ๆกับสุขคเวทนาหรือทุกควเวทนาก็คือความชอบความชังนะ อันนี้ก็ เ, เป็นส่วนของของจิตเป็นอาการของจิตนะมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความชอบมีความไม่ชอบนะถ้าพูดถึงนิวรเนี่ยก็คือนะเกิดกามราคะหรือว่าเกิดพยาบาทนะถ้าชอบนี่ก็เกิดกามราคะหรือเกิดกามฉันทะขึ้นมาถ้าไม่ชอบขัดเคืองใจก็เกิดพยาบาทขึ้นมา ตรงนี้แหละก็เป็นส่วนที่ต้องรู้ทันนะในฝ่ายจิตตามุปัสนาสติปัฏฐานพวกเราที่ปฏิบัติธรรมก็รู้อยู่แล้วว่าการมาชั้นท่าหรือพยยบาลนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวสำคัญสองใน5ประการที่รบกวนพวกเราอยู่เป็นประจำนะแต่ปกติแล้วถ้าเราหากว่าเราเราปฏิบัติโดยการเคลื่อนไหว เช่นยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะถ้าเราทำทั้งวันหรือว่าทำติดต่อกันหลายวันเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเช่นความง่วงเหงาวหานอนนะความฟุ้งซ่านนะนักปฏิบัตินะที่มาฝึกใหม่ๆเนี่ยเพียงแค่ อาจจะสามสิบนาทีแรกเท่านั้นแหละก็เริ่มง่วงแล้วนะเรียกว่าทินามิทะถ้าทําไปสักหน่อยก็เกิดความฟุ้งนะบางคนก็บ่บนว่าทําไมเวลาปฏิบัติมันถึงฟุ้งเหลือเกินก็เวลาไม่มาปฏิบัตินะเวลาอยู่บ้านนี่ไม่เห็นฟุ้งขนาดนี้เลยอันนี้ก็ธรรมดานะเพราะว่าพอจิตมันเบื่อแล้วเนี่ยจิตมันเวลาเราเดินตรงกลมกลับไปกลับมาเวลาสร้างจังหวะนะ จังหวะก็มีไม่กี่จังหวะกลับไปกลับมาจิตมันเบื่อนะจิตมันเบื่อปกติจิตของพวกเราเนี่ย ม, มันชอบเสพภาษะใหม่ๆจะเป็นเสียงเพลงจะเป็นอาหารหรือว่าได้พูดได้คุยกับใครเราอยู่ที่ทํางานเนี่ยมันจะมีภาษาใหม่ๆเข้ามากระทบตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารทางลน์ทางเฟซบุ๊กทางวิทยุโทรทัศน์เวลาทำงานทำการก็มีภาษาเข้ามากระทบนะเกิดภาษาขึ้นมาอยู่บ่อยๆหลายคนบอกว่าโอยมันไม่สงบเลยนะเวลาอยู่เวลาอยู่ที่ทำงานเวลาอยู่บ้านอยากจะหาความสงบมาวัดก็หวังความสงบแต่ปรากฏว่าจิตมัน กลับไม่ชอบนะเพราะมันสงบเกินไปจิตมันจะรู้สึกว่าหน้าเบื่อและสิ่งที่ทําให้จิตเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาก็คือหาเรื่องคิดตรงนี้แหละที่ความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะจิตมันเบื่อหน่ายกับการสร้างจังหวะการโดนจงกลงหรือว่าการอยู่ในสถานที่เดิมๆปกติถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันก็ เจ็ดมันก็จะพยายามผลักดันให้เราไปหาเรื่องพูดคุยกับผู้คนนะถ้าอยู่บ้านก็เปิดเพลงฟังเปิดโทรทัศน์ ด, ดูหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อมีสิ่งเล่าสิ่งกระตุ้นให้มันเกิดความตื่นตัวทั้งนังที่บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบกับสถานบรรยากาศแบบนี้เพราะมันวุ่นวายแต่พอมาอยู่วัดอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยก็กลับไม่ชอบอีกนะ จิตมันโหยหาดินนรนอยากจะกลับไปเสพรับอารมณ์ใหม่ๆนะคราวนี้พอไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอยู่วัดนะเพราะว่าต้องอยู่ในลานจงกรมสร้างจังหวะนะไปเสพทางตาไม่ได้ไปเสพทางหูไม่ได้ไปเสพทางปากเช่นไปหาของกินอย่างที่เคยทํากินจุบกินจิบก็ทําไม่ได้ไปเสพทางกายก็ไม่ได้นะก็เลยมีทางเดียวคือเสพทางจิต หาเรื่องคิดจิตมันก็จะมีเรื่องคิดสารพัดนะอันนี้แหละคือเหตุผล ท, ทำไมเวลาไม่ไม่ปฏิบัตินี่ไม่ฟุ้งซ่านเลยนะแต่พอปฏิบัตินี่มันฟุ้งซ่านเหลือเกินมันเป็นทางออกของจิตนะที่ต้องการหาสิ่งเสพเพราะนั่นคืออาหารของมันแต่ว่าไปมันก็เป็นลักษณะาการเสพติดนะผัสสะที่พวกเร า, าเป็นโดยไม่รู้ตัว พอเราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเรา้าเต็มด้วยภาษามากมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยนะพอเราออกมามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันยังมีความโหยหามันมีอาการเสพติดเมื่อคนที่ติดบุหรีนะ่ติดกาแฟนะติดเหล้านะพอไม่ได้เสพเข้าเนี่ยมันก็มีอาการกระสับกระส่ายกนะระวนกระวาย ถ้าพวกเราเวลามาปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆ ม, มันจะมีอาการแบบนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะเราเสพติดผัสสะนะพอไม่ได้เสพอย่างเต็มที่เท่าที่เคยเหมือนเคยก็จะเกิดเพราะาอาการลงแดงนะเรียกว่าลงแดงทางผัสสะถ้าเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาสารพัดเลยอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะเรียกว่าอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่าน ความกระวนกระวายพอฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความร้อนใจเพราะกระวนกระวายแล้วเกิดความกุ่มใจตามมาก็เลยเรียกคู่กันว่าอุทธจักขุกุจักทำไปทำไปมันไม่ใช่มีแค่ทินามิธาความง่วงความเบื่อความเซ็งมันไม่ได้มีแค่ความฟุ้งซ่านนะมาแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ากูมาทำอะไรเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเกิดวิตกิจชาขึ้นมาละ กิเลสมันก็จะตั้งข้อสงสัยให้เราเนี่ยเกิดความครั่งคลางแคลงไม่มั่นใจว่ามาทาอะไรหรือทำแล้วจะได้ผลหรือไม่บางทีทำแค่สองวันเนั้นก็เกิดความไม่มั่นใจแล้วว่าเรามาทาถูกวิธีหรือเปล่าหรือว่าเกิดความลังเลสงสัยว่าเนี่ยทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยนะ อยู่บ้านดีกว่าตั้งใจว่าจะมาเจ็วันมันพอมาได้แค่สองวันนะมันก็มีเสียงร่ำร้องอยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าจะกลับบ้านนะเพื่อไปเที่ยวไปสนุกมันก็ทำได้ไม่เต็มปามก็เลยปรุงแต่งความรังเลสงสัยขึ้นมาว่าเนี่ยนะทำไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนะทำสองวันแล้วยังไม่ได้อะไรเลยจริงๆสองวันมันนี้มันนิดเดียวนะ แต่ว่าไอ้ความลงเลยสงสัยมันจะโผล่ขึ้นมาเพื่อรบกวนผสมกับคําว่านิวรนเพราะนิวรนนี่ก็หมายถึงอุปสรรคนะขัดขวางการทําความดีเรากําลังทําความดีนะไม่ใช่แค่ทานศีลแต่เป็นความดีในระดับภาวนาแต่ว่ามันก็จะมีนิวรนมารบกวนในเวลาเราเวลาเราสร้างจังหวะเดินจงกลมหรือว่าเราพยายามมีสติอยู่กับความอยู่กับ ให้มีสติรู้สึกตัว ก, การเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีนิวรณ์สามตัวใหญ่เนี่ยมารบกวนมากความง่วงนะถีนิมิตะความฟุ้งซ่านอุทจักกุกุกจะแล้วก็ความรังแรสงสัยวิจิกิจฉาส่วนอีกสองตัวเนี่ยนะพยาบาทหรือว่าการมาฉันทาเนี่ยนะมันมันจะมักจะเกิดขึ้นนะกับการที่เวลาเราเกิดผัสสะขึ้นมาเช่นเวลา เราสมมุติว่าเราปฏิบัติครบกำหนดละสามวันห้าวันเรากลับไปเป็นแค่หลอกจากวัดเนี่ยไปถึงแก่งครอบถึงชัยภูมิเนี่ยก็เกิดผัสสะขึ้นมาแล้วบางคนก็เกิดความ เ, าเกิดความอยากกินโน่อนอยากกินนี่นะอันนี้เรียกว่าเกิดการมชันทะเกิดการมรคคาขึ้นมาหรือว่าเกิดความหงุดหงิดขัดเคืองใจนะ แดดร้อนเะสียงดังยิ่งพอไปที่บ้านนะไอ้สองตัวนี้มันก็จะมาลุ ม, ลมเราเยอะทีเดียวนะหนังก็ดีโทรทัศน์ก็ดีนะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเ ocial ีเดียสามารถกระตุ้นการมาราคะการมาฉันทะได้ได้ง่ายแต่พอไปเสพพอไปเสพหรือไปเกิดผัสสะขึ้นมาจากกับสิ่งเหล่านี้ก็บางทีก็เกิด พยาบาทเกิดความขัดเคืองใจขึ้นมาแทนที่เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติทำการเจันทรสติเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะคือส่วนเคลื่อนไหวนะส่วนที่ส่วนเคลื่อนไหวทางกายนะแล้วก็ส่วนที่ไปเปิดรับผัสสะต่างๆไอตอนอยู่วัดเนี่ยนะแล้วถ้าเราปฏิบัติเนี่ย มันจะมันจะเด่นตรงส่วนแรกนะก็คือการเคลื่อนไหวนะซึ่งก็จะทำให้เราเกิดนิวร น, นะสามตัวแรกอย่างที่พูดนะแต่พอเราออกไปข้างนอกออกไปนอกวัดนะยิ่งถ้าเราไม่ไม่เจริญสติด้วยแล้วเนี่ยนะมันก็จะเจอไอ้นิวรณ์สองตัวหลังนะการมาชันท่าแล้วก็พยาบาท มันรอเราอยู่นะทั้งเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็เวลาเราออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างนะใช้กลับไปสู่ชีวิตประจําวันกลับไปสู่การทํางานนะักปฏิบัตินี่ก็ต้องนะก็ต้องก็ต้องฉลาดในการรับมือนะกับนิวรณ์ทั้งทั้งสองส่วนนะ <S <S เช่นเวลาทางจังหวะเวลาเดินตรงกลมนะก็อย่ไปแพ้แพ้ให้กับความง่วงงาเฮานอน ความเบื่อความฟุ้งซ่านหรือว่าความระเลสงสัยนะแล้วเวลาขณะเดียวกันนะเวลาเวลาออกไปเจอผู้คนนะออกจากลานจงกรมนะลูกจากอาสนะไปเจอผู้คนไม่ว่าในวัดหรือว่าออกไปนอกวัดหรือว่ากลับบ้านหรือไปที่ทํา ง, งานนะมันก็จะเจออีกสองตัวนะนักปฏิบัติธรรมที่ฉลาดนี่ก็ต้องรู้จักทั้งสติปัญญาทั้งสประการ นะถ้าว่าเราเจริญสิปัิปทาเรื่องแต่มีกายานุปัสนาะมีสติรู้ทันรับรู้การเคลื่อนไหวของกายนะมันก็ทำให้เราไม่ไม่หลงจมอยู่ในอำนาจของของนิวรณนะ์ความง่วงความฟุ้งซ่านแล้วก็ความเงยสงสัยจะคิดอการก็ต้องมันนะตามดูรู้ใจด้วยรู้เวธนารู้จิตนะให้ตรงนี้สำคัญมากนะ มันจะมันจะจริงจริงมันก็ต้องใช้แหละในเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะเพราะว่าไอตัวการมราคาตัวตัวพยาบาทนี่มันก็มารบกวนเหมือนกันนะเวลาที่สร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมแต่มันจะไม่เด่นไม่ชัดเหมือนกับเวลาที่เราออกไปเจอผู้คนออกไปกลับไปสู่การทํางานกลับไปใช้ชีวิตนะในโลกกว้าง มันจะเจอสิ่งที่กระตุ้นให้ชอบให้ชังนะให้อยากได้ไขว่คว้าแล้วก็เกิดอาการปฏิเสธผลักดันผักใสนะ่ไอ้ตรงนี้มันจะเด่นชัดนะวเวลาไปสู่โลกกว้างเนี่ยไอ้ความง่วงเนยะไม่ค่อยมีหรอกกลับไปที่ทํางานกลับไปที่บ้านความง่วงอย่างที่เกิดขึ้นเวลาเราปฏิบัติที่นี่ไม่ค่อยมีหรอกมันมีแต่ตื่นนะตื่นจะนอนไม่หลับนะ ไอ้ความพุ่งสร้างก็อาจจะไม่มากเหมือนกับตอนที่อยู่ปฏิบัติในวัดยิ่งความรลเลสงสัยแล้วไม่มีเลยนะแต่ว่ามันจะมีตัวนี่แหละนะตัวตัวการมาฉันท่ากับตัวตัวพยาบาทนี่แหละซึ่งถ้าเรารู้จักดูเวทนาดูจิตนะมันก็สามารถที่ทำให้เราเนี่ยไม่ถูกครอบงมด้วยไอ้นิวัณสองตัวนี้ได้ นักปฏิบั tn ี้ต้องฉลาด น, นะทั้งในทั้งการปฏิบัติในภาคที่เป็นการเคลื่อนไหวกายและในภาคที่ไปเจอผัสสะต่างๆ่าจริงจรมันก็แยกไม่ได้แยกกันเด็ดขาดนะว่าไอ้สองภาคนี้ไม่ใช่มันจะแยกกันเด็ดขาดไอ้ภาคการเคลื่อนไหวนะโดยเพาะการเคลื่อนไหวในรูปแบบเนี่ยมันก็ต้องเกิดผัสสะอยู่แล้วนะเดินจงกรมสร้างจังหวะก็อาจจะได้ยินเสียง เสียงพูดคุยของคนที่อยู่ข้างๆซึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจว่า้ทําไมเราปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติหรือว่ากําลังเดินตรงกลมนะกําลังติดอารมณ์ก็มีเสียงดังนะจากหมู่บ้านนะใกล้วัดนะเสียงรถยนต์เสียงก่อสร้างนะทําให้เกิดความมีเกิดความไม่พอใจหรือว่าเดินตรงกลมดีๆก็ได้กลิ่นกลิ่นอาหารจากโรงครัวนะเกิดความอยากนะมันมันก็ต้องนะไม่เพียงแต่เราจะ รู้กายเนียถ้าต้องรู้ต้องรู้ทันเวทนาและจิตนะเมื่อมันเกิดผัสสะด้วยเพราะว่าเมื่อเกิดผัสสะนี่เรายังคงทราบอยู่แล้วว่าเมื่อเกิดผัสสะมันก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาถ้าไม่มีสติมันก็ต่อไปอุปทานโนนแล้วต้องฉลาดนะฉลาดทั้งในฉลาดทั้งการปฏิบัติทั้งสองภาคนะภาคเคลื่อนไหวก็ให้รู้กายนะภาคเวลา ภาคที่เกิดผัสสะขึ้นมาก็ให้รู้เวทนารุจิตการปฏิบัติบางทีมันในบางที่บางแห่งก็แยกกันสองสองส่วนนะหรือว่ามันจะเด่นไปคนละแง่ถ้าใครต้องการปฏิบัติแบบนะแบบเข้มข้นที่มีทั้งสองภาค น, นี้นะอยากจะชวนไปนะชวนไปเดินธรม ร, ธรมยถาเพราะธรรมยรานี่นะมันมีทั้งการเดินนะเดินทั้งวันเลยนะก็ได้เจริญ ฝึกสติใจนุปัสสนาด้วยนะเดินก็รู้ว่าเดินนะอันนี้ได้ฝึกนะได้ฝึกได้เต็มที่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นมันเกิดผัสสะขึ้นมามากมายเจอแดดร้อนเจอลมหนาวนะบางทีเจอฝุ่นแล้วก็ จ, จะเท้านี่ก็อาจจะเจอหินเจอกรวดนะมันก็ทิ่มเอานะถึงแม้ว่าจะใส่รองเท้ามันก็ยังทิ่มเอาได้นะ ก็เกิดผัสสะขึ้นมานะแล้วแต่เป็นผัสสะที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิฆะหรือพยาบาทได้ทั้งนั้นคือทําให้เกิดความไม่พอใจทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นจะหาโอกาสที่เราจะได้ฝึกทั้ง2 ส, ส่วนเนี่ยยากนะนธรรมญาตานินี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ฝึกทั้ง2องอย่างแบบเข้มข้นเลย ฝึกทางไกยนุปัสสนาว่าเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินเดิน เ, เวลาเกิดผัสสะขึ้นมานะไม่ว่าจากแดดร้อนจากลมเย็นนจากกลัวจากหินจากเสียงของผู้คนนะก็ให้มีก็มีสติรู้ทันท่านที่หลวงพ่อท่านจัดให้มีนิลเลอร์ให้จัดให้มีธรรมญา ต, ตราเนี่ยก็ท่านก็มุ่งจะให้ เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะประโยชน์ท่านก็คือรณรงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ตนก็เข้มข้นพอสมควรนะเวลาเราปฏิบัติธรรมและใจสงบเนี่ยในในวัดเนี่ยหรือว่าในในห้องในป่าเนี่ยมันไม่ยากนะแต่ถ้าเราจะสามารถรักษาใจให้สงบได้ทํากลางาผู้คนที่เดินกันเป็นร้อยหรือว่าทําทกลางอากาศร้อนหรือว่าทางที่ไกลฝุน่นก็เยอะเนี่ย อันนี้มันท้าทายท้าทายกว่านะเดินทำใจใสงบนะในป่านี่ไม่ยากจริงจริงมันก็ยากนะสาหรับผู้ฝึกใหม่แต่ว่าไอ้ที่ยากกว่าคือว่าทำใจใสงบได้ทำาอากาศร้อนนะอันเนี้ยมันสาหรับที่ผู้คนที่เป็นนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะฝึกตนให้เข้มข้นเนี่ยธรรมยาตรานี้เป็นเป็นแบบฝึกหัดที่ท้าทายนะ ความสามารถนะของนักเจริญสติมากท่ำยังไงแดดมันร้อนร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเย็นทํำยังไงนะเนื่อยแต่กายนะใจเบิกบานให้เดินธรรมยาตานี่ไม่เหนื่อยกายเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะถ้าเดินจริงๆกนะันเหนื่อยกายกันทั้งนั้นแหละแต่ทําไงเหนื่อยกายแล้วใจไม่เหนื่อยด้วยนะทํายังไงเหนื่อยแต่กายแต่ว่า มันก็เป็นสักแต่ว่าทุกขเวทนานมันก็กศักด์แต่ว่าเป็นรูปทุกนะแต่ว่านามไม่ทุกด้วยนะคือใจไม่ทุกในการที่เรารักษาใจให้สงบได้ในห้องแอร์นะอันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าว่าแดดปปเปรี้ยงนะอากาศร้อนอ้าวนี่แต่ใจเราสงบได้เนี่ย อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่มันก็ทําได้นะถ้าว่าเรามีสติไวที่จะรู้ทันเวทนาแล้วก็รู้ทันปฏิฆะหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นในเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนาทางกายทํำยังไงนะถึงไม่ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจนะอันนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นการบ้านที่สําคัญสำนักปฏิบัตินะ เพราะว่าเวลาเวลาเราเจ็บป่วยนะซึ่งเป็นธรรมดานะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้นะความเจ็บไข้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราหรือมันรอเราอยู่จะทําอย่างไรนะป่วยแต่ตายนะใจไม่ป่วยมันทําได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นโดยอัตนโนมัติมันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการฝึกสตินะ ให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตนะเอาแค่สามตัวนี้ก่อนก็พอนะไม่ต้องไปรู้ธรรมแล้วเราจะฝึกจากอะไรนะถ้าเราฝึกจกถ้าเราฝึกตอนป่วยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการเวลาเราป่วยเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าถ้าป่วยหนักนะบางทีสติเอาไม่อยู่นะเราก็ต้องก็ต้องฝึกจากจากทุกเวทนาที่มันเบาเาเบาเบ ก, ก่อนนะ นะฝึกจากทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะเวลายุงกัด เ, เกิดทุกข์กับกายทำยังไงใจไม่ทุกขนะ์หรือว่าถ้าเราต้องการฝึกให้มันเข้มข้นนะี่การทุ ด, ดงเนะี่ยก็เป็ น, เ ป, นเป็นโอกาสหนึ่งนะที่สามารถจะฝึกได้ให้เราเรียนรู้การเจริญสตนะิตอนที่เดินนะก็รู้กายไปนะ แต่พอใจมันบนใจมันตีโพยตีพายโอดโรยเพราะว่าทางไกลเพราะว่าแดดร้อนนะอ่าเราก็มีสติรู้นะหลายคนเนี่ยเขาก็อาศัยเขาก็ได้เขาก็ได้ฝึกนะแบบนี้แหละจากธรรมญัตราเวลาคนเราเนี่ยคนเราถ้าหากว่าไม่เจอทุกเนี่ยนะบางทีไม่เห็นธรรมหรือว่าปัญญาไม่เกิดนะจะ เห็นทำหรือว่าจะเกิดปัญญาได้ต้องเจอทุกข์ก่อนความทุกข์มันจะบีบคั้นจิตให้หาทางออกแม้แต่เด็กนะตัวเล็กๆเก้าขวบสิบขวบนี่เขาก็รู้วิธีนะเขาก็หาทางออกจนได้นะมันมีปีหนึ่งเด็กเดินประมาณเก้าขวบสิบขวบตามแม่มาที่จริงไม่เห้ตามแม่มาแม่บังคับให้มานะเดินไปก็โบนไปนะนอกจากจะไม่มีทีวีให้ดูแลนะ่ะยังต้องมาลาบากอีก แต่ว่าพอเดินมาที่สองมาที่สามนี่ยเออเด็กก็เริ่มปรับตัวปรับใจได้พอวันที่สี่เด็กก็ใจสงบลงนะคนไปถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้นะบอกไม่ค่อยเหนื่อยหรอกนะทั้งที่เดินมาหลายกิโลนะเป็นเจ็ดแปดกิโลได้มาถามว่าทําไงทําไมถึงไม่เหนื่อยก็บอกว่าก็ดูท่าของคนข้างหน้าไง อูเท้าคนข้างหน้าเด็กพอเอาเอาจิตไปจดจ้องอยู่เท้าคนข้างหน้าเนี่ยมันก็ลืมความปวดความเมื่อยไปกายปวดกายเมื่อยก็จริงแต่ว่าใจมันไม่ไปรับรู้ด้วยเพราะใจมันไปตรดจ้องอยู่ที่เท้าคนข้างหน้าอันนี้เดี๋ยวเขาเรียนรู้เองนะเด็กที่เขาเรียนรู้ได้เพราะว่าความทุกข์มันสอนความทุกข์มันบีบคัน้นแล้วพวกเราเยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเราแล้วนี่นะ ถ้าเจอความทุกข์นี่เชื่อแน่ว่าเราจะสามารถที่จะหาทางออกจากทุกข์ได้นะแต่ก่อนแหละเจอทุกข์ก็หนีทุกข์นะเจอความลําบากก็หนีความลําบากแต่ทำยัง ไ, ไงแต่ถ้าเราม่อยู่ในสถานการณ์ที่หนีความลําบากไม่ได้หนีทุกข์ไม่ได้เพราะว่าต้องเดินต้องเดินต้องเดินเราจะอยู่กับทุกข์ได้ยังไงโดยใจไม่ทุกขนะ์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนักปฏิบัติมากอยู่กับทุกข์โดยใจไม่ทุกข์นะ ธรรมาตรายเป็นโอกาสดีนะปีนี้ก็จัดเป็นปีที่สิบห้านะคงทราบอยู่แล้วว่าจัดเพื่อเป็นอจัจเรบูชาหลวงพ่อคำเขียนนะคำขวัญปีนี้คือว่าบูชาครูตอบแทนคุณนะที่จริงตั้งใจจะทำตั้งแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะอมรณภาพสิ้นะแต่ว่ า, าเมื่อลงพ่อจากเราไปนะแต่ว่าก็ยังก็ยังต้องทำกันต่อไปนะ ก็ยิ่งเป็นกำลังใจกับพวกเรานะปีนี้นี่จะได้เรื่องการภาวนามากจัดมา14ปีนี่ไม่เคยค้างแรมในป่าเลยนะนะอย่างมากสุดก็ค้างแรมในในทุ่งโลงอย่างมอหินขาวนะแต่ปีนี้นี่ไปค้างในป่าโปรงแล้วก็อีกสองําแห่งก็เพื่อให้ได้เกิดภาวน า, างเต็มทีนะ่อันนี้ก็ ก, ก็ก็เล่านะเพื่อ ใครที่สนใจนะที่เป็นสนใจท่านในแง่ขงการไปเชิญชวนผู้คนให้ตื่นตัวตั้งสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากจะมาบรรเ็าประโยชน์ตนนะด้วยการเจริญสติในส า, าการที่เข้มข้นนะในส า, าการที่มันท้าทายนะนะทั้งในแง่ของการฝึกสติให้รู้กายแล้วก็ฝึกสติให้รู้ให้รู้ใจโดยพ่อตัวทุกขเวทนานะทำยังไง ทุกขเวทนาทางกายนี่มันไม่ทําให้เกิดทุกขเวทนาทางใจทํำยังไงนะมันร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเย็นอันนี้ถ้าใครใครที่คิดว่าปฏิบัติทําได้ก้าวหน้าแล้วนะก็ลองลองไปนะทําโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าใครที่คิดว่าถึงแม้ปฏิบัติทํำยังไม่ก้าวหน้าแต่ว่าอยากจะให้มันก้าวหน้าเร็วๆนะก็ลองดูได้นะ อละคำนี้วพุก่านี้กาพกพร้อมกัน